วันที่25เมษายนพุทธศักราช2562สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดงานพ d ธีเฟสติวัลทูเทเพื่อให้ในักศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงานฝึกทํางานร่วมกันเป็นทีมรู้จักวางแผนการทํางานและเพื่อให้เกิดซัมธิผลในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารณโรงอาหารกลางผลงานนักศึกษ า, าด้นานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับคนรุ่นใหม่ PD ดี s t i ติ l 2019ภายใต้แนวคิดการสร้างสารรคผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่นอันทรงคุณค่า โดยในงานนี้นักศึกษาชั้นปีที่3จากรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรตวงศรีสยมุมภาได้นําเสนอผลิตภัณฑ์อาหารว่างให้กับผู้สนใจได้ชิมกันฟรีตลอดรายการอาทิเช่นมาล่าออนเดอะโกลูกชิ้นไก่ผสมผงมาล่าอร่อยได้ในคําเดียวชซนวิเแซาปิงไส้ไก่ผัดน้ำพริกเผาของว่างที่นิยมของชาวจีนมาประยุกต์เป็นอาหารให้คนไทยในเช้าที่เร่งรีบเจนดี้สายบัวเนื้วหนึบเคี้ยวมันพร้อม คุณค่าทางโภชนาการได้ฟุกุไส้ปลาปลานินหยองปรุงรสห่อด้วยแป้งแครอทเหนียวนุ่ม ดังโงะมันเทศผู้ซาจีนขนมพื้นบ้านญี่ปุ่นเสริมมันเทศสีส้มและชาเขียวต้านอันมูลอิสระเชอร์เบตสับปะรดพริกเกลือเปรี้ยวเผ็ดจิจาดโดนใจใครร้อนช่วงเมษาได้ดียิ่งขนมเปี๊ยะข้าวโพดไข่เค็มเปี๊ปยะไส้ข้าวโพดเหนียวนุ่มหอมหวานเบต้าคารทีนสูงไส้กอกซุปมะเขือม่วงสำหรับนักมังสวิรัติที่ชื่นชอบไส้กอกอีสานและซุปมะเขือ งานพีดีเฟสติวัลทูเนปีนี้ได้รับเกียรติจากดรจตุพรอรุณกมลศรีรองอธิกาบรบดีเยี่ยมชมและร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล The Best Product of the Year ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะด้วยซึ่งรางวัล b บ s ออฟเดอะเยอได้แก่ผลิตภัณฑ์เซนวิสซาติงไส้ไก่ผัดน้ำพริกเผาและผลิตภัณฑ์เชอร์เพสสับปะรดพริกเกลืองานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ว, วันออกรายงาน กระทรวงพาณิชย์หาหรือสถาบันการเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระตุ้นปล่อยสินเชื่อจากไม้มีค่านายวุฒิกลายลีวิลพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับผู้แทนสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการส่งเสริมให้มีการนำไม้มีค่ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจรับทราบปัญหาอุปสรรคในการให้สินเชื่อของตาละสถาบันการเงินรวมทั้งหลักเกณฑ์การการเงินสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งในเบื้องต้นทุกหน่วยงานเห็นพ้องกันในการส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรก ร, ร, กรปลูกไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทําประโยชน์เพื่อการออมในอนาคตและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศเนื่องจากต้นไม้ที่ปลูกจะมีมูลค่าสูงขึ้นตามอายุ ข, ของการปลูกทาให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานได้ในอนาคตเพียงแต่ต้องเลือกชนิดและประเภทของต้นไม้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ โดยหลังจากนี้จะมีการจัดทําคู่มือการประเมินราคาต้นไม้ที่เป็นมาตรฐานกลางแบ่งการประเมินราคาต้นไม้ออกเป็นแต่ละพื้นที่โดยให้สถาบันการเงินผู้รับต้นไม้เป็นหลักประกันถือปฏิบัติตามคู่มือการประเมินนั้นและควรมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประเมินราคากลางต้นไม้โดยให้มีปรับปรุงการประเมินเป็นระยะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเหมาะสมรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้า